Book 2 33า3สสาที่สถานีรถไฟนานาดราจรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคืนเดียร์เดพริชตีวลาดบรล รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ รถไฟไปสตอกโฮล์มออกกี่โมงคะ่ารถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ่ดดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ ดิฉันต้องการตั๋วไปป拉ดหนึ่งที่ค่ะดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะรถไฟถึงมอสโคเมื่อไหร่คะ Kdy přijede vlak do Moskvy. k d y p ř i j e d e vlak do Amsterdamu. b musím n t vlak? d u m u s e t p ř e s t u p o v a t Z k t e r é h o n á s o t d k t e r u n p i d r a í š t ě j e d e d t e n vlak? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ Kolik stojí lůžko ve spacím voze?